การรวบรวมกำลังกายกำลังจิตนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องประพฤติปฏิบตัติการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รวบรวมสตินะไม่ก่เกิดปัญญาเนี่ยเราก็จะเข้าถึงธรรมด้วยความเวทนาทางกาย หรือเวทนาทางจิตได้อะไรคือเวทนาทางกายก็หมายถึงว่าเราปวดเมื่อยนะเจ็บโน่นปวดนี่เมื่อมีเวทนาทางกายแล้วเนี่ยใจก็เกิดความลังเลขาดความอดทนอดกั้นในขณะที่เราบำเพ็ญเพียรอยู่การฟังธรรม ก็ทำให้จิตของเราเนี่ยฟั่นเฟือคคำว่าฟั่นเฟือนั่นก็หมายถึงว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายติดตามมาเพราะว่าความอดทนอดกัน้นต่อเวทนาทางกายไม่ได้เมื่อกายเวทนาใจไม่ได้ใจก็ต้องลุกลามมาที่ใจ กายก็ปวดเมื่อยใจก็อดลนทนไม่ได้ความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นการฟังธรรมของเรานั้นก็ไม่เป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นทางใจได้เมื่อใจของเราไม่เป็นกุศลแล้วเนี่ยอกุศลก็จะเกิดมันจะผุดเกิดขึ้นในกลางจิตของเรามันก็จะมีความลังเลสงสัยวิตกกิจฉานั่นเอง ในคำพูดคําจาในธรรมของพระพุทธเจ้ามีความขัดแย้งในใจขึ้นมาทำให้เกิดอกุศลทางใจได้เพราะนั้นการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะต้องตั้งสติสติคือความรู้ตัวนะเมื่อเรามีความรู้ตัวว่าเรากาลังบำเพ็ญเพียรทางกายด้วย ทางใจด้วยวาจาเราไม่ต้องพูดนะหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังว่าทำไมวันนี้เป็นวันสำคัญพระเลขาก็คงอาธาิบายแล้วเราก็ทำภารกิจในการทำวัดสวดมนต์หลวงพ่อก็นั่งอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วก็ขึ้นไปสการะเวียนเทียนสามรอบนะ เมื่อเราเวียนเทียนเสร็จแล้วทุกคนก็มีทางใจปรารถนาที่จะมาฟังธรรมก็คิดว่าหลวงพ่อนั้นก็คงจะเป็นพระทิฏถวายธรรมทำให้เราเกิดเห็นแก่นแท้ของความจริงได้ก็เลยตั้งท่าตั้งตารอเพราะว่าตั้งใจมาแล้วเพราะนั้นเมื่อเรามีความตั้งใจเนี่ยก็ตั้งตัวให้ตรงด้วย อย่าทำสมาธิมองหัวนิปโป้ตัวเองนะพยายามนั่งตัวให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งตัวให้ตรงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่เราไม่เคยทำกิริยาอย่างนี้มาก่อนแต่วันนี้เราจะบำเพ็ญเพียรทางกายของเราเนี่ย ให้อยู่ในสภาพที่เราเนี่ยไม่เคยไม่เคยทำอย่างนี้มา ก, ก่อนแต่บางท่านเคยทาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปกติแต่บางท่านขาไม่เป็นปกติอาจจะขางอไม่ได้นะหลังตั้งตรงไม่ได้มีอายุมากแล้ว ก็นั่งในท่ากิริยาที่อันควรที่เราสามารถที่จะทำได้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามที่อย่างที่หลวงพ่อพูดว่ามือขวาทับมือซ้ายการทับเนี่ยเขาให้สัมผัสสัมผัสแล้วก็เอาหัวนิโป้เนี่ยมาชนกันให้มันประสานกันว่า เรากำลังมีสติสติคือความรู้ตัวมาก่อนว่าเรากำลังจะบำเพ็ญเพียรด้วยความอดทนทางกายเมื่อมีสติรู้ตัวว่าเราเนี่ยกำลังจะบำเพ็ญเพียรทางกายก็น้อมจิตน้อมใจไปที่ใจของเราที่กำลังเต้นตุ๊บๆอยู่เนี่ยเราก็ยิ้มให้กับใจของตัวเองเมื่อเรายิ้มให้กับใจของตัวเราเนี่ย เรารู้สึกว่ามันเบาสบายขึ้นสติคือความรู้ตัวเราก็มองเข้าไปในใจของเราในขณะนี้ถามเจ้าใจของเราเนี่ยที่เคยว้าวุ่นใจอยู่เสมอที่เคยทำให้ใจของเราเนี่ยมีความกระบวลกระวายใจอยู่เสมอ แต่ในขณะ น, นี้ทางกายก็ไม่กวนกาวายนั่งในท่าที่เรียบร้อยยิ้มเขาไว้อย่าไปเข่งไปขลังอย่าไปกดดันอย่าไปบังคับร่างกายของเราเนี่ยให้มันแข็งอยู่อย่างตลอดเวลาหมายถึงเกร็งเมื่อร่างกายเก็งแล้วเนี่ยด้านถึงจิตใจเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ผ่อนคลาย พอเรานั่งในที่ที่เก่งหรือในที่ที่เราไม่ชอบใจหรือว่าปวดเมื่อยเนี่ยจะทําให้ใจของเราเนี่ยเกิดความสับสนเกิดความเวทนาทางใจเกิดความเบื่อหน่ายอย่างที่หลวงพ่อพูดในแต่ข้างต้นนักปฏิบัติที่ดีเนี่ยจะต้องมีใจที่ดีและมีความอดทนอดกั้นด้วยการฟังธทำให้รู้ธรำเนี่ย เราจะต้องยิ้มเขวะมองเข้าไปในใจยิ้มเขวะแล้วก็ค่อยๆเนรมิตใจของเราเนี่ยให้สว่างโล่งคนเราเนี่ยจะมีความว้าวุ่นใจเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเราลองคิดสิว่าเราเนี่ยไม่เคยมีมีเวลาที่จะให้กัดตัวเองในขณะนี้ เราอยู่กับพ่อกับแม่กับรูป ก, กับผัวกับครอบครัวของเรานั้นเนี่ยเรารู้สึกมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในใจรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่เรานั้นไม่พึงปรารถนาแต่ในขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับใครเลยเราอยู่กับ ตัวของตัวเราเองก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวว่าเรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ทำใจของเราเนี่ยให้เป็นบุญกุศลบุญก็คือความว่างเปล่าใจของเราในขณะนี้เนี่ยว่างมองเห็นใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดไม่มีความโรคก็คือไม่มีความอยากได้ใดๆทั้งสิ้น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือสติสติคือความรู้ตัวรู้ตนว่ากุศลเนี่ยสร้างด้วยทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจในขณะ น, นี้ทางกายของเรานั้นได้สร้างกุศลได้คือ ก, การเวียนเทียนมาและในขณะ น, นี้เราก็ทำกายของเราเนี่ยให้เรียบร้อยก็ว่า ทำใจให้ว่างเปล่าปราศจากความโลภ ค, ความโกรธความหลงบางคนเนี่ยนั่งแล้วยังมีความหลงหลงคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนานับว่าพวกเราเป็นปุถุชนคนที่จเจริญด้วยจิตจเจริญด้วยสภาพของจิตใจที่หลุดจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรชาน จึงมุ่งมั่นนึกถึงพระพุทธศาสนาคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เป็นรูปของพระพุทธเจ้ามีความกตัญญูรู้คุณรู้ในวันสำคัญในพุทธทุกทางพุทธศาสนาว่าวันนี้เป็นวันประสูตรของพระพุทธเจ้าก็คือวันเกิดนั่นแหละแล้วก็วันตัดสู้นะตัดสู้ก็หมายถึงว่า องสมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างปฏิหารในการบำเพ็ญเพียรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นสมุเชเเจตเรียกว่าดับไม่มีเชื้อคำว่าดับไม่มีเชื้อก็คือดับที่จิตใต้สำนึกท่านจะไม่นึกถึงความโรบความโกรธความหลงท่านจะไม่มีลาคาจลิตต่างๆ จิตของท่านนั้นปัสจากสิ่งมัวหมองและเราในขณะนี้ล่ะใจของเรามีความมัวหมองขุ่นเคืองอะไรก็ค่อยๆหลุดพ้นออกไปคนเรานั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นอะไรจะเกิดกับตัวเองนั้นเนี่ยมักจะจดจำในสิ่งที่ดีไม่ได้ มักจะจดจำในสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตอยู่เสมอมนุษย์อย่างเรานั้นพยายามมองคนอื่นแล้วก็เอามาปรุงแต่งในตัวของเราเองคิดเองปรุงแต่งเองนึกเองตามสภาพของความคิดวันนี้เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนามันมีในยะมันมีความสำคัญของ ในพระพุทธศาสนาทําไมพระพุทธเจ้าจึงเกิดแล้วก็ตัดสรู้แล้วก็ปรินิพานในวันนี้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเกิดเนี่ยก็เปรียบเสมือนสอนให้เราเนี่ยเกิดขึ้นเกิดก็คือความคิดความคิดปรุงแต่งในของเราในขณะนี้เนี่ย เราเกิดความคิดเรื่องของบุญกุศลบุญก็คือความว่างเปล่าในขณะทุกคนวันนี้เนี่ยกำลังบาเพ็ญเพียรบุญบุญก็เกิดจากทางกายการสร้างสาวรวัตถุต่างๆการสร้างคุณงามความดีการให้ทานการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนนับว่าเราสร้างกุศลทางกายเรียบร้อยแล้ว เราสร้างกุศลทางกายแล้วก็เกิดทางใจใครไม่มาเวียนเทียนก็ไม่รู้ใครไม่เคยมานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ในขณะ น, นี้ท่านทั้งหลายได้บาเพ็ญเพียรทางกายได้กุศลอีกส่วนหนึ่งแล้วส่วนอีกหนึ่งบุญก็คือทางใจ ในขณะนี้ใจของเรานั้นอย่าให้มีความมัวหมองเข้ามาในใจว่าโอ๋เนาชีวิตของเราเกิดมาด้วยความยากลำบากของความเป็นพ่อเป็นแม่เกิดความยากลำบากตั้งแต่ต้นตระกูลที่เกิดมาบุญนำกาแต่งเกิดในครอบครัวที่มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างเกิดมาจากครอบครัวยากจน อยากแคร์กระทั่งร่างกายกระทั่งเสื้อผ้าอาพรหมอนมุงอยากแคร์กระทั้งที่อยู่อาศัยเกิดมาก็ไม่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เหมือนคนคนอื่นเขาเกิดมาก็มีโรคภัยไข้เจ็บประจำเนื้อประจำกายประจำตัวประจำวงตระกูลเลยว่าตระกูลเนี้ยมีโรคอะไรก็จะติดพันเรียกว่าพันทุกกรรม แล้วเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีสติปัญญาที่จะอบรมขัดเกลาให้พวกเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความยากจนพยายามผลักดันให้ลูกมีการศึกษาหาความรู้พยายามมอบแต่คุณงามความดีคือสอนในสิ่งที่ดีให้กับพวกเราทั้งหลายนั่นเรียกว่า พระอรหันต์องค์แรกในการเกิดของเราเมื่อเกิดมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะต้องใยเรียนใยรู้สารพัด ส, สารพันเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ใย ฟ, ฟ้าหาตามเวรตามกรรมตามบุญนำกรรมแต่งของชีวิตที่เกิดมาบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บบางคนมีร่างกายแข็งแรงแต่ก็ไม่มีที่อยู่อาศัย บางคนมีที่อยู่อาศัยก็ร่างกายไม่แข็งแรงบางคนมีแก้วแหวนเงินทองเกิดมาในตระกูลมากมายร่ํารวยแต่ก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะว่าทางกายนั้นเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเรียกว่าวิบากกรรมทางกายสรุปง่ายๆว่าการเกิดของมนุษย์และสัตว์มแมลงน้อยใหญ่ทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นบุปผกรรมที่จะต้องเกิดเกิดจากสภาวะกรรมกรรมก็คือการเกิดนั่นเองเรียกว่าพันทุกกรรมกรรมมันพัวพันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดทำไมเราไม่เกิดตั้งแต่ต้นตระกูลของตระกูลใหญ่ตระกูลโตร่ำรวยมหาศาลตั้งแต่ยังไม่ได้เกิด พอเกิดมารู้ภาษาก็มีเงินร้อยล้านพันล้านมีบ้านอย่างก็ห บ, บดีเศรษฐีมีรถมีข้าวปลาอาหารมีเสื้อผ้าอภรรมีเครื่องประดับมากมายแต่สรุปโดยว่าการเกิดเกิดก็เพราะว่ากรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แต่แต่ท่านก็ไม่มีความสุข ท่านก็จะต้องมีญาติมีคนเจ็บคนป่วยคนแก่แล้วก็คนตายที่ให้ท่านเห็นและท่านเป็นผู้มีบารมีปัญญาที่สะสมมาถึงห้าร้อยชาติจึงเห็นทุกเห็นกรรมในการเกิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงพยายามหาเหตุหาผลว่าโอนา้นอ ชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีสูงมีดำมีต่ำมีเตี้ยทำไมหน้าตาเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดแต่มีความชอบมีความยินดีไม่เหมือนกันมีความร่ำรวยมีสติมีปัญญาไม่เหมือนกันบางคนทำไมเกิดมาเป็นข้าทาสบริวารต้องแบกต้องหามบางคนเกิดมาในกองเงินกองทองก้มโลภโมกโลภโมโทสัน บาปอนาจวาสนาบางคนรวยแล้วยังไม่รู้จักว่าพอบางคนไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้ดีท่านก็ได้แยกแยะให้เห็นจากมนุษย์ทั้งหลายที่เราได้เห็นพวกเราทั้งหลายนั้นมีบุญมีวาสนาได้เกิดมาดังประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาที่ยังจเจริญในพระธรรมเทศนา ในเจริญในข้อวัดปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนายอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำจิตใจให้เจริญอย่าได้คิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเทราะความคิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความคิดตามองเห็นหูได้ยินอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเราไม่เคยมองตัวเอง เราไม่เคยเห็นใจตัวเองเราได้จะมองคนอื่นได้ยินคนอื่นพูดเราก็คิดเอามาปรุงแต่งเมื่อเห็นแล้วโอ้น oh, อ no. ฉันเนี่ยทำไมทำวิบากกรรมมากมายฉันทำไมมีแต่โรคภัยไข้เจ็บอยากจะถามคนที่นั่งอยู่เนี่ยว่าใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบ้าง อยากจะถามทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยมีแต่คมชื่นชมไม่มีดาวา่านินทาเลยเป็นไปไม่ได้อยากจะเห็นทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเกิดแล้วไม่ตายเนี่ยก็ไม่มีแน่รวมทั้งหลวงพ่อที่พูดอยู่ด้วยการคิดการปรุงแต่งนั้นให้เกิดความทุกข์ก็เราคิดมีความโรคมีความอยากได้ ความยากนัก่นคือตัวยากทำให้เราเหนื่อยยากในการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแก้วแหวนเงินทองสิ่งของที่เราเนี่ยต้องการเพราะเราไม่มีก็ต้องแสวงหาด้วยความเหนื่อยยากเราอยากมีบ้านเราก็แสวงหาบ้านการแสวงหาบ้านทักหนึ่งหลังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก จะต้องใช้ทรัพย์จะต้องใช้เงินมากมายบางคนขายที่ไล่ที่นาที่หัวที่ควายไปก็ยังไม่พอที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเพราะว่าทาบุญมาน้อยไม่เคยสร้างวิหารทานกับวัดไม่เคยสร้างวิหารทานให้กับมนุษย์ด้วยกันไม่เคยสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้พ่อให้แม่ เกิดมาชาตินี้พอมาพอเกิดมาก็ไม่มีบ้านเกิดมาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยพยายามเก็บหอมรอมริบพยายามหาทั้งชีวิตเสาซักต้นมันก็ไม่มีที่ซักก็แบะมือมันก็ไม่มีทําไมเนอเราจึงมีวิบากกรรมก็โอเนอชีวิตคนเราเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราไม่ทำแล้วว่าเราจะเห็นทำเหรอถ้าเราทำแล้วไม่เก็บไม่กินเนี่ยเราจะรู้อิ่มรู้อยากเหรอเพราะฉะนั้นความคิดของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้การเกิดรวนแต่เป็นทุกข์การเกิดแม้นแต่เป็นความทุกข์ไม่เพียงพอต้องเวทนาทางกายด้วยเพราะว่าต้องทุกข์ทางกายด้วย เวทนาทางกายไม่พอก็ต้องเวทนาทางใจด้วยเพราะใจมันเป็นทุกข์เจ็บแค้นใจเสียใจทำให้ใจของเราเนี่ยมัวหมองคิดแต่ความอยากได้เมื่ออยากได้แล้วไม่ได้ไม่สมปรารถนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจนั่นเป็นเพียงแค่ความคิดมีความโรความโกรธโกรธแล้วไม่หายโกรธ ก็เกิดสติเกิดปัญญาไม่ได้เพราะคนโกรธเนี่ยก็คือความโง่เขาเบาปัญญาเจ็บแค้นใจไม่สบายใจถึงเค้นถึงค่าถึงขึ้นโรงขึ้นศาลกันทำให้เกิดเรานั้นมีความทุกข์ทางใจความโกรธเมื่อเราไม่ละความโกรธเราก็ต้องมีเมตตา พอเราเข้าไปเห็นคนที่เขามีความเมตตายิ้มแย้มแจ่มจใสพูดไพเราะยิ้มแย้มพูดกันด้วยความด้วยเหตุด้วยผลด้วยการให้สิ่งของบ้างให้อภัยบ้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นปรารถนาที่ไม่เคยได้กลับได้กับผู้ที่ให้เราจึงมีความอ่อนโยนและมีความรักตอบเรียกว่ากัญยาณิมิต บางคนเกิดมาบอกว่าโอ้โนอเกิดมาพ่อแม่ก็เกียรติเกิดมาก็ไม่มีมิตรแท้เลยมีแต่คนหลอกลวงคบใครใครเขาก็มีแต่โกรธแต่ชังมีแต่รังเกียรติก็เราไม่มีเมตตาบารมีเราไม่เคยแผ่เมตตาในขณะเนี้ยที่มาร่วมกันในขณะนี้เราไม่เคยบําเพ็ญเพียรในเรื่องของกุศลเลย เราจึงไม่มีความเพียรพยายามในเรื่องค้นคุณความความดีได้เหมือนพ่อแม่ที่สั่งสอนลูกพยายามให้ลูกเรียนลูกก็ไม่มีความเพียรพยายามให้ลูกทำคุณงามความดีลูกก็ไม่มีความพยายามที่จะประกอบกรรมดีได้รู้วนแต่ประกอบกรรมชั่วทาไมคบแต่คนชั่วเป็นมิตร เพราะไม่เคยได้มีการบำเพ็ญเพียร เ, เรื่องของเมตตาบารมีเราไม่เคยให้ผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่เคยให้เราเราไม่เคยที่จะสอนคนอื่นให้รทำคุณงามความดีรวมทั้งตัวเราก็ไม่เคยทําคุณงามความดีต่อผู้อื่นคนใกล้ตัวเราก็จะไม่ทําความดีกับเราเลยแม้นเป็นลูกผัวตัวเมียรเรา เราพยายามทำความดีแค่ไหนความรู้สึกที่ดีก็ไม่เกิดกับคนที่เราพึงกระทำให้เลยเปรียบเสมือนคนทำทำความดีเนี่ยเหมือนไฟตกน้ำทำความชั่วน่แม้มันจเจริญละเกินแต่ไม่ใช่อย่างนั้นการสมมุติการคิดการปรุงแต่งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยตกนรกทั้งเป็น ความโกรธก็คือความโง่การคิดการปรุงแต่งนี่แหละทําให้เหล่านั้นขึ้นสวรรค์ลงนรกได้การคิดที่เป็นบุญกุศลก็คือการฟังที่หลวงพ่อพูดมนุษย์ร้วนแต่เป็นมนุษย์ที่ปรุงแต่งแล้วก็คิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นบ้านก็ปรุงแต่งเกิดจากปูนหินดินทราย คนก็ปรุงแต่งว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสมมุติว่านี่หญิงสมมุติได้ว่าเป็นชายแก้วแหวนเงินทองก็สมมุติได้ว่าเป็นวัตถุที่เป็นทองมีราคาอันนี้กระดาษมีในหลวงเรียกว่าสตังมีมูลค่าที่มาแลกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่มูลค่าที่แท้จริงก็คือใจของท่านทั้งหลายท่านลองถามใจของท่านซิว่า ใจของท่านเนี่ยปรุงแต่งในความคิดที่เราพังเผอในความกระทําผิดไปเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจแต่ถ้าเรารู้สึกคลายใจมีคนเขาพูดให้เราเนี่ยปลอบใจให้เราเนี่ยมีความรู้สึกผ่อนคลายใจได้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีความโง่เขลาเบาบัญญาไม่มีใครเขาช่วยคิดช่วยปรุงแต่ง เพราะเราเคยคิดเองปรุงแต่งเองนึกเองขึ้นเองเนี่ยเรียกว่าตัวกูของกูนั่นเองหากเรามาปรุงแต่งในเรื่องของกุศลบุญก็คือความวา่างเปล่าเรายึดมัน่นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในอารมณ์ของเราอารมณ์ปรุงแต่งทุกวันนี้อารมณ์รักอารมณ์โกรธเราก็ปรุงแต่ง อารมณ์คิดต่างๆนานาเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดตั้งแต่เช้ายันเย็นคิดตั้งแต่รู้สึกเรารู้ภาษาเนี่ยเราคิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นได้ในสิ่งที่เราคิดเลยเราได้แต่ความเสียใจกับความดีใจแค่นั้นเราได้อาหารสามมื้อเท่านั้น เราได้วันเวลา <c oughs> วันเวลาที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยได้กินโน่นได้จับนี่ได้ปรุงแต่งยึดว่าเป็นบ้านกูผัวกูเมียกูเราได้ยึดปรุงแต่งในความคิดที่ผูกพยาบาดอาฆาตเท่านั้นแต่เราไม่เคยคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับในความคิดเมื่อความคิดดับแล้วเรื่องอื่นก็เกิดขึ้นอีก เราก็คิดเรื่องอื่นอีกเราก็ดับมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าโอ้โนอมนุษย์เกิดมาแค่ปรุงแต่งแค่ความคิดเท่านั้นหรือเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องดับเกิดแล้วดับไม่ได้ก็หมกมุ่นอยู่แต่ความคิดที่เกิดขึ้นปรุงแต่งถ้าเกิดคิดถึงความดีเนี่ยแป๊บเดียวเอง เกิดคิดถึงความชั่วร้ายที่ใครทำร้ายเราคิดไม่ดีต่อเราเรารู้สึกคิดพยาบาทอาฆาตเจ็บคำน้ำใจนานซะเหลือเกินแต่ถ้าเรารู้สึกมีสติรู้ตัวว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดคนที่เราโกรธเขาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเราโกรธเขาเขาลับไปตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มเรายังโกรธกินไม่ได้นอนไม่หลับ ใจของเรานั้นก็จะตกนระกหมกใหม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยก็จะเกิดร่างกายอ่อนเพลียโรคจิตประสาทก็จะเกิดขึ้นสะสมในความคิดทำให้จิตใจที่เรามันต้องทำให้ใจว่างวางเป็นกุศลให้เกิดขึ้นทางใจคิดถึงคุณงามความดียิ้มเข้าไว้ทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าไว้ว่าโอ้เนอเราเกิดมา มีเวลาแค่สองหมื่นกวันเราก็จะต้องตายแล้วอายุ8 0กว่าปีเนี่ยเราก็มีเวลาใช้เวลามาสองหมื่นกวันแล้วอายุ80กว่าเนี่ยถ้าเกินสองหมื่นกวันเนี่ยเราจะต้องกลับบ้านเก่าแล้วบ้านหลังสุดท้ายเราก็คือกว้างสอกยาวาาล้วก็จะต้องถูกไฟฟ้ามันชอ็อตไหมหมกไปเหลือแต่กระดู ทรัพ ส, สมบัติลูกหลานความคิดความรักความอะไรมันก็ไม่มีอยู่ในตัวเราแล้วเหลือแต่กระดูกห่อผ้าขาวลูกหลานก็ไม่เก็บเอาไว้เอาไปทิ้งทะเลเอาไปทิ้งน้ำเหลือแต่รูปนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไว้แวนไว้ข้างบ้านข้างฝามีกระดูกใส่โกดไว้หน่อยนึง ในขนาชั่วลูกหมดหลานเกิดขึ้นได้ทรัพย์สมบัติต่อเนื่องกันมาเห็นกระดูใครก็รู้สึกว่ากลัวก็เอาไปฝากวัดรูปปู่ย่าตายายก็รู้สึกจางลงเก่าลงแล้วก็หลุดล่วงล่นลงไปคนที่อยู่ใหม่ก็ปรับปรุงที่อยู่อา ศ, า ศ, าศาัยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสมบัติเป็นบ้าน เป็นของกูตัวกูต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสาคัญที่พระพุทธเจ้าเกิดตัดสรุแล้วก็นิพพานก็คือตายนั่นเองการที่เราเกิดอยู่ในปัจจุบันนั้นเราปรงแต่งเราคิดว้าวุ่นอยู่กับกิเลสความมัวหมองทางใจก็คือความโรภความโกรธความหลง เมื่อมีใจที่เรารู้และมีสติมีปัญญารู้ที่หลวงพ่อบอกเราก็ค่อยๆหาทางออกว่าโกรธเราก็ยึดไม่ได้เกลียดเราก็ยึดไม่ได้รักเราก็ยึดไม่ได้ร่างกายของเราอารมณ์ที่ปรุงแต่งความคิดก็ยึดไม่ได้สักอย่างหนึ่งเราเพียงแต่สมมุติขึ้นทางนั้นสมมุติว่าอันนี้เป็นรูปสมมุติว่าอันนี้เป็นเมีย สมมุติว่าอันนี้คือรถคือทรัพย์คือที่อยู่อาศัยของเราท้ายสุดก็จะต้องตายไปในที่สุดไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้ความเกลียดความรักความอะไรอาวรในทรัพย์สมบัติที่ทะเลาะกันฆ่ากันแย่งกันชิงกันโกรธกันเกลียดกันก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลย เราต้องมีสติสติคือความรู้ตัวว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราพยายามให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาความมัวหมองความพัวพันต่อความคิดต่อกิเลสตัณหาลาคะถ้าเรายังมึดยึดมั่นถือมั่นในความคิดในการปรุงแต่งของเราไปแต่ละวันแต่ละวันวันเวลาของท่านทั้งหลาย ก็จะหมดไปในที่สุดเราอายุอยู่แค่ไม่ถึงร้อปีอาจจะเกินร้อปีไปก็นึกสภาพของคนอายุร้อยปีคนร้อยปีเนี่ยเอาไปใส่เกลือเอาไปขายยังไม่ได้เอาแค่ 30, 40, 50หปีเนี่ยยังขายไม่ค่อยได้เลยนับภาษาอะไร วันหนึ่งวันหนึ่งที่เราปรุงแต่งไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่เคยหาหนทางให้ใจของเราเนี่ยขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็หมายถึงว่าในขณะที่เรานอนหลับให้สบายในขณะที่เราทานข้าวอย่างอร ե ตอร่อยเนี่ยเรียกว่าขึ้นสวรรค์ในขณะนอนเนี่ยเราไม่เคยมีความคิดมีความโลภโกรธหลง แต่คนอยู่ในช่วงของตกตะลกทางใจเนี่ยในขณะนอนก็ยังฝันลายในขณะตื่นเนี่ยรับเรื่องแต่เรื่องลายๆายคิดแต่เรื่องลายๆายปรุงแต่งในเรื่องที่มันเป็นไม่เป็นประโยชน์ของความที่เป็นตัวของตัวเองชอบเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองชอบอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอามาใส่ใจตัวเอง ชอบคุยชอบพูดชอบไปคบหาสมาคมเห็นเขารวยเห็นเขามียศถาบรรดาศักดิ์ชอบคุยเรื่องใหญ่เรื่องล่ําเรื่องรวยเรื่องการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มองตัวเองไม่มองเห็นตัวเองว่าโอ้เนอวันนี้เนี่ยเราได้ขึ้นสวรรค์บ้างหรือเปล่าการขึ้นสวรรค์ก็หมายถึงว่าเรากินอิ่มนอนหลับ โดยที่ไม่มีความวุ่นวายใจในความมัวหมองทางใจเรียกว่าสวรรค์แต่วันไหนเราตกนรกเช้าขึ้นมาก็ร้องไห้เย็นขึ้นก็ร้องไห้บ่ายขึ้นก็ร้องไห้เรียกว่าใจมันตกนรกแต่ถ้าเกิดเราได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าช่างมัน ฟังหูซ้ายทะลุหูฝาอย่าเอามาใส่ใจถ้าเราไม่เอามาใส่ใจเนี่ยใจของเราก็ไม่ว้าวุ่นไม่มัวหมองใจเ <c oughs> มื่อเราไม่มีความมัวหมองใจสติคือความรู้ตัวว่าโอ้เนโอการเสียใจยก็เป็นการปรุงแต่ง <c oughs> การดีใจก็เป็นการปรุงแต่ง <c oughs> การมีทรัพย์สิน เป็นเจ้าใหญ่ในโตก็ต้องตายในที่สุดโลกธรรมแปดมีราบก็ต้องเสื่อมราบมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสมบัติก็ไม่สามารถเอาไปได้มีร่างกายที่แต่งตึงเนี่ยก็เหี่ยวโลยไปในที่สุดแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดความคิดปงแต่งเนี่ยทำไมเราไม่ละไม่ตัด เราได้แต่มองสิ่งที่เราเห็นเราได้แต่ฟังในสิ่งที่เราอยากฟังเห็นในสิ่งที่เราอยากได้มันก็มีความยากมีความเหนื่อยยากเพราะจะต้องทะเยอทยานอยากเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นของเราเนี่ยเราก็รู้สึกห่วงใยลูกห่วงใยทรัพย์สมบัติห่วงใยรถกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวขโมยจะลัก ทำไมไม่ห่วงใยสติสติคือความรู้ตัวของตัวเราห่วงจิตใจเนี่ยมันจะทําให้เราโมวหมองว้าวุ่นใจหมกมุ่นในสิ่งที่เป็นเป็นนรกในใจถ้าเราไม่หมกมุ่นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่มาหมกมุ่นกับเราเราไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ในชีวิตนี้เมื่อเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สัตว์ต่ว่าได้ยิน เมื่อได้ฟังก็สัตว์นะว่าได้ฟังจับต้องแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็มีความรู้สึกสบายใจไม่ต้องมานั่งคิดปรุงแต่งหม่นหมองใจทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจเอละวันนี้ไม่ได้ว่าอะไรมากเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยตัดอารมณ์ในความคิดปรุงแต่ง เมื่อเราขาดสติเราก็จะปรุงแต่งตามที่ตามองเห็นหูได้ยินใจที่อยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเจ้าของก็เลยพูดให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ความรักก็ยึดไม่ได้ความโกรธก็ยึดไม่ได้ทรัพย์สมบัติลูกเมียก็ยึดไว้ไม่ได้ ก็จะต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดความคิดปรุงแต่งทุกอย่างในโลกนี้เราปรุงแต่งทางนั้นเราคิดแล้วก็ปรุงแต่งในใจทางนั้นเมื่อเราปรุงแต่งแล้วอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เราก็ตัดความที่ว่าเราอยากได้ ใครไม่มีความรักเราก็ยิ้มไว้ในใจว่าเรารักตัวเราไว้อยู่ดีกว่าดีกว่าจะให้คนอื่นมารักเราคนอื่นมารักเรารักเช้าบ่ายมันอาจจะเกลียดเราก็ได้แต่ทำไมที่ว่าเรายึดตัวกูของกูเนี่ยทำไมเราไม่ยึดความรักในใจของเราไว้ยิ้มให้กับตัวเองปอบใจตัวเองไว้อยู่เสมอใครด่าอะไรก็อมบังแล้วก็ ดาก็ไม่เห็นเจ็บเข้าไปในใจเลยยอ่อเราก็เราก็ไม่มีอะไรให้เขาอยากได้อะไรเราก็ไม่มีอะไรจะให้เพราะเราก็ไม่รู้จะมีอะไรให้เจ้าอะไรมาให้เราเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยเอามาให้เต็มวัดหมดนะถ้าเกิดอยากได้คงจะไม่มีที่นอนนะพอมันแน่นไปหมดแต่อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมานั่ง ชมแล้วก็ยอญาติโยมแล้วเพื่อจะเอาปัจจัยเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเจ้าวาดวัดเดียวที่ไม่อยู่วัดแม้นอยู่ก็ไม่มาคุยกับโยมหมอบตรงโน้นบ้างหมอบตรงนี้บ้างแต่วัดอื่นมีญาติโยมมาเยอะๆอย่างนี้ต้องนั่งคุยกับโยมทั้งวันก็ต้องได้ตังได้ปัจจัยได้โน้นได้นี่ดูมงดูหมอดูดวง แนะนำให้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะได้บุญได้อานิสงฆ์มากมายแต่ไม่มาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันยึดไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราปรุงแต่งเอออหอหมกกับความคิดของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าถูกเขาหลอกเราอยากได้ไฟฟ้าไหวโนนไวนี่กาพระก็ขอหวยกาบต้นไม้ก็ขอหวย ตำบนห้าบาทขอถูกไว้รางวัลที่หนึ่งสักครั้งเด้อกูจะมาสร้างวัดนี้ให้เสร็จเลยกูจะช็อกตายซะ ก, ก่อนนะนะเพราะนั้นค่อยคอยถอนสมาธิแล้วค่อยคอยเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติว่าจิตใจของเรานั้นเนี่ยเกิดขึ้นเกิดเพราะอะไรเพราะตัณหาราคะกามรมลาคะระหว่างพ่อแม่ขี่กัน เลยเกิดพันทุกกรรมเป็นมาเป็นอย่างเราต่อไปเราก็ขี่เขาเขาก็ขี่ล้วเราก็มีลูกกว่าพ่อแม่จะสร้างบ้านได้เราก็ต้องสร้างตามพ่อตามแม่ลูกอยากเรียนเราก็ต้องไฟฟ้าหาทรัพย์สินเหนื่อยที่สุดเลยในชีวิตไม่น่าเกิดเลยไม่น่าเกิดไม่น่ายินดีไม่น่าจะรักไม่น่าจะประปรุงแต่งไม่น่าจะยึดมั่นถือมั่นได้ น่าน้าเบื่อมากนะว่าเราจะเวียนไห้ตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ตลอดคนทำดีก็เกิดไปเป็นเทวดามนุษย์นะเทวดามนุษย์ก็คือเศรษฐีนั่นเองเวลากินก็มีคนจัดสำรับกับข้าวเวลานอนก็มีคนปูที่หลับที่นอนให้เวลาไปไหนมาไหนก็มีราชรถมาเกยเทวดามนุษย์มีคนขับรถ แต่เทวานาเนี่ยมันก็ต้องตายจากคือคือจากความดีมันจะต้องตายพอตายแล้วหมดคุณงามความดีก็ยังไม่รู้ว่าไปทําความชั่วอะไรก็ตกหลน่นเป็นหมามั่งแมวมั่งเป็นนกหนูกาไกา่เป็นกุ้งหอยปูปลากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันก็ยากมากเลยคุณโยมเมื่อเราทำเป็นมนุษย์สมบัติได้รู้จักรักษาศีลได้ รู้จักภาวนายกระดับจิตของเรานี้ให้พ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดราจานได้เราก็มองเห็นว่าโอ๋นอสิ่งนี้เราควรทำกับไม่ควรทำบางคนเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานนะโกรธพ่อเกียดแม่ตีพี่ตีน้องลักขโมยป้นจี้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนะ เป็ดก็หมายถึงว่ารอกินอย่างเดียวไม่ทำงานทำการเกิดมานอนรอพ่อรอแม่เบียดเบียนพ่อแม่พ่ อ, อแม่เจ็ดสิบแปดสิบยังนอนกินอยู่กับบ้านออกไอ้เป็ดพวกเนี้ยมันไม่รู้จักทำมาหากินของตัวเองได้ดูดน้าพักน้ำแรงเขาเรียกว่าเป็ดนั้นมันปากเท่ารูเข็มนะมันดูดมันเลี้ยงไม่โตเห็นไหมเด็กตัวนน้อยเนี่ยเวลาขวดนมเนี่ยเาเอาเข็มแทงขวดนม ให้มีรูในน้อยเท่ารูเข็มถ้ารูใหญ่จะกินแล้วจะสำลักตายเปตที่มันเกิดมาก็ไม่มีเสื้อมีผ้าบางคนเกิดมายังไม่เคยซื้อเสื้อผ้ายอยแม่เกิดมายังไม่ซื้อผ้าสมบงไตชีวอนเนี่ยถวายผ้าสักชุดในในชีวิตเนี่ยเกิดมายังไม่เคยซื้อกางเกงในกางเกงนอกให้พ่อให้แม่ใส่ถุงน่องรองเท้าให้พ่อให้แม่ แล้วเราจะเป็นมนุษย์สมบัติได้ไงเป็นคนที่เป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างไรเกิดมาเนี่ยยังไม่เคยสร้างที่อยู่อาศัยให้พ่อให้แม่ยังนอนกินอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ 60- 70ทํางานไม่ไหวเราก็ยังอาศัยพ่ออาศัยแม่เบียดเบียนขายโน่นขายนี่เอาเงินลักเงินลักทองนะของพ่อของแม่มันก็คือเปดของข้าบมนุษย์ อสุรกายก็คือร่างกายเป็นมนุษย์นี่แหละตัวเป็นมนุษย์แต่สัตว์นี่มันใจมันเป็นสัตว์ตบตีเคี้ยนตีคมขืนพ่อแม่พ่อแม่คมขืนลูกป่นฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์หน้าตาเหมือนพวกเราเนี่ยแต่มันต่างจิตต่างใจมันบ่งบอกไปถึงวงตระกูลบ่งบอกไปถึงฐานะ บ่งบอกถึงคุณงามความดีถึงความรู้การเรียนการรู้การประกอบสัมมาอาชีพมันมีวันนะนะมันมีวันณะของเรื่องของวิบากกรรมบุปผกรรมข้อกรรมที่เกิดขึ้นที่หลวงพ่อยังพูดไปไม่ถึงนี่พยายามพูดให้เราเข้าใจสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆถ้ามาปฏิบัติหลวงพ่อก็จะค่อยๆบอกว่าทําไมจิตใจเราต่ําลงไ ป, ปขนาดนี้ เราต้องย่องยกระดับใจของเรานี้ให้สูงไปกว่านี้เราจะได้มีความคิดที่ไม่คิดต่ำเราจะได้มีสติปัญญาสแสวงหาสิ่งที่ดีสแสวงหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราหลวงพ่อก็ว่าใครไม่ได้ใครก็ว่าใครไม่ได้เพราะว่าไม่รู้มาก่อนเรื่องของบุปกรรมมิบากรรมข้อกรรมเอาละ วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญในส่วนบุญส่วนกุศลที่พยายามฟังหลวงพ่อนะพูดวันนี้แก้งพูดยาวๆนานๆดูแล้วความขลังหายหมดขยับไปบิดมาบิดไปนะแต่ก็ยังดีหน้าตาสดใสค่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆตอนแรกๆหน้าดำมากเลยแววตาก็น่ากลัวเหมือนสัตว์อะไรก็ไม่รู้มองมาที่หลวงพอ่อ หลวพ่อพก็พยายามมองซ้ายมองขวามองโน่นมอง น, อ น, องนี่ทำยังไงเนอะจะทำเบบี้เฟสให้มันได้ทำยังไงเนอะจะให้หน้ามันขาวเหมือนมนุษย์มนุษย์ทีเขามองเห็นหน้ากันนี่ก็โอ๊ยเขาก็ชื่นมื่นกันมนุษย์คุยกันนี่ก็โอ้าทานข้าวหรื อ, อยังเออแล้วแม่สบายดีไหมมาทานข้าวก่อนสิเออไปทำบุญที่โน่นกันไหมนี่มนุษย์ก็คุยกัน สัตว์เดลฉ า, านคุยกันว่าไงสมบัติมึงได้ยังได้ข่าวมึงทออะเลาะกับแม่มึงก็เคลียยัง อ, อีนั่นบอกว่ากูยังไม่เคลียเลยแม่กูนี่โหดร้ายมากไอ้เราก็เป็นสัตว์อยู่แล้วไปเจออีนั่นมันก็เป็นสัตว์อย่างงี้มันต้องฟ้องแม่ก็ต้องฟ้องโอ้โหยุไ อ, อ้ฟ้องพ่อฟ้องแม่สัตว์เจอสัตว์เข้าแต่ถ้ามนุษย์ได้ฟังโอ้โนอ ขนาดเป็นลูกก็ยังโกรธพ่อโกรธแม่เออเราโชคดีเนาะพี่น้องเราไม่เคยทะเลาะกันเราโชคดีเกิดมาพ่อแม่เราลักกันเราเกิดมาถึงเราไม่ร่ํารวยเราก็มีความสุขในชีวิตเราเกิดมาเราก็ไม่เบียดเบียนใครเออเราก็มีความสุขกับคนอื่นดังเยอะนี่คือมนุษย์สมบัติไอสัตว์เดรัจฉานมันเจอกันในข้ามนุษย์เดี๋ยวมันก็ กระทั้งที่นอนมันก็ห่วงพอหมหมอนมุ้งมันก็ห่วงกระทั่งอยู่วัดมันก็ห่วงญาติโยมพระมันก็หิ้วของไปกินในห้องเอาไปแจกญาติมันไม่ยอมบริจาคให้กับสัตว์ไม่ยอมให้ทานกับบรรดาญาติโยมสังเกตพระที่เป็นอารัจฉีเปตพระจะเก็บข้าวของตุนไว้ในห้องบินระบาตไม่บินก็คอยจ้องว่าถึงเวลากูก็จะมาฉัน ชันเสร็จก็หิ้วของดีๆขึ้นห้องไม่ยอมจะเอาของดีให้คนอื่นตัวเองก็ไม่เจอของดีไม่เจอโยมดีไม่เจอในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่มีความคิดดีเพราะว่าตัวเองนั้นใจมันหยาบใจมันเป็นเปรต น, นะวัดไม่ทำมณ์ไม่สวดบินตบาทก็ไม่บินบินตบาทมาก็มองเห็นตบาทว่าจะได้ของดีไหม ว่าได้ของดีก็พยายามกันเก็บไว้เอาไว้ให้ญาติพี่น้องเอาไว้ให้คนที่ชอบแล้วสิ่งที่ดีก็เก็บเอาไว้กินจนเสียบางองเสียเลยบางองนี่บาดขึ้นลาเลยชีวอนก็ไม่รู้ชุดคลองอยู่ไหนแม่ชีก็พยายามหาพวกหาหมูพยายามเกาะแกะแต่คนรวยพยายามพูดพยายามถวายธรรมะเพื่อให้เขาศรัทธาตัวเอง หลวงพ่อพยายามทําทุกอย่างไม่เคยมายุ่งกับญาติโยมเลยทําให้พระเห็นว่าทําไมหลวงพ่อไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับใครเยี่ยมกุฏิก็ไม่เคยเยี่ยมคุยกับใครก็ไม่ไปคุยเจาะจงองค์นั้นเป็นพิเศษก็พยายามดูว่าโอ้พระเรานี่มีเปรตเยอะเลยโอ้แม่ชีนี่มีแต่ปากเน่าปากหนอนมีตะเปรตชีเหมือนกันพยายามดูดน้าเลือดน้ําเหลืองหยาดเหงื่อแรงกายของญาติโยม พยายามบวชพยายามทำตัวขังนะแต่ตัวเองนั้นคลั่งจะตายอยู่แล้วตัวเองนั้นมีกิเลสหมกมุ่นมากมายตัวเองพอหลบโยมแล้วไม่ใช่ยมเห็นแล้วก็เริ่มทำความชั่วนะยมคนไหนไม่รวยไม่ซีก็ไม่รับเอาไปด้วยไม่พูดไม่คุยไม่ต้อนรับหลวงก็พยายามเรียกว่าเอาน้ำมาเอาน้ำมานะเอาข้าวมา พยายามหาที่อยู่ว่าโยมไปให้แม่ชีคนนั้นดูแลให้หน่อยไปให้พระพาไปอยู่ที่พักตรงนี้หน่อยแต่พระเปตรตพวกนี้มันก็จะหวงที่นะหวงข้าวของหวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้คิดเลยว่าวัดเนี้เราไม่ได้สร้างญาติโยมเขาบริจาคปัจจัยมาคนละเล็กละน้อยเขาควรมีสิทธิที่จะอยู่มีสิทธิที่จะทํา มีสิทธิ์ที่จะเท่าเทียมกับพวกเราแต่เราพระเนี่ยเขายกย่องอยู่แล้วเขาไหวเขากราบอยู่แล้วถ้าเราเป็นพระดีแม่ชีดีเป็นญาติโยมที่ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยพอมาในวัดเนี่ยไม่มีกฎระเบียบไม่มีข้อวัดปฏิบัติว่าข้อหนึ่งห้ามสิ่งนั้นห้ามสิ่งนี้นต้องทําบุญเสียค่าน้ําค่าไฟบวชต้องหัวละเท่าไรบวชพามณ์ต้องคนละกี่ร้อย วัดนี้ไม่มีตู้บริจาคยังไม่มีเลยบวชพระบวชพามในที่วัดเนี่ยบวชฟรีทั้งนั้นใครไม่มีตังก็มาบอกว่าไม่มีตังครับเราก็ให้บวชบวชพามเนี่ยที่มานั่งนอยู่เนี่ยต้องเลี้ยงข้าวล้างจานล้างห้องน้ำให้ทั้งนั้นเวลาบวชเสร็จขังมากตอนไปอยากจะกลับแก้ทิ้งแมงหน้าห้องน้ำเต็มหมดชีก็เก็บไปเถอะ แม่พามก็ล้างจานแม่ชีก็ล้างจานทำกับข้าวอาหารวางให้เป็นโต๊ะอย่างปาณีชและถ้าเกิดเป็นพระไม่ดีเนนไม่ดีแม่ชีไม่ดีญาติโยมไม่ดีลองคิดสิว่าอะไรจะเกิดทำไมวัดเราหมาเยอะเหลือเกินทำไมวัดเราจึงมีงสีละสิงสาลาสัตว์ทำไมวัดเราจึงมีคนตกทุกข์ได้ยากมาอาศัยเรามากมาย ทำไมวัดเราจึงมีอาหารมากมายเพียงพอจนเจือให้กับคนอื่นทำไมสัตว์วัดเราหมาไม่กัดกันช้างมาไม่เห็นทะเลาะบอกแวงบัวควายไม่ทะเลาะกันคนก็ทะเลาะกันน้อยนอกแต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานในภาพของความเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีก็จะกัดกันทะเลาะกันโยมที่เข้ามาก็เป็นภาพของสัตว์เดรัจฉาน ก็มาทะเลาะกันแ ย, แย่งกันใหญ่ในวัดนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์สมบัติเป็นผู้รักษาศีลเป็นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เขาได้มาพึ่งพาอาศัยได้พระก็น่ากราบเนกนก็น่าไว้แม่ชีก็น่ารักโยมก็น่าศรัทธาเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยว่า ทำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องแผ้วให้หลุดพ้นจากเปรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนพระคุณเจ้าก็ต้องพยายามทําจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นจากเป็นอรัชีเปรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานของข้าบของเป็นสมณะแม่ชีก็เช่นเดียวกันอนุเคราะห์ญาติโยมเกื้อกูลให้มีสภาพมีความยุติธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีคุณสมบัติที่เขามีความศรัทธาเคารพเราเนี่ย เราก็พึ่งพาสายซึ่งกันและกันไม่รังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันเชื่อว่าวัดเขาอิติสุกโตก็น่าจะมีความสุขใครเข้ามาก็รู้สึกล่มเย็นเป็นสุขหมาก็ไม่กัดกันนะคนก็ไม่ทะเลาะกันอาหารก็มีเพียงพอพระคุณเจ้าก็อนุเคราะห์สัตว์ไปทำขอกวัขวขอกวายเกีย่ยวหญ้าให้วัวให้วายดีกว่าเรานะ่โง่เป็นวายกินของญาติโยมแล้วไม่ทาอะไรก็ ก็จะต้องเป็นควายในที่สุดนะเอาละก็กวดน้ำนะเพื่อจะได้กลับบ้านกลับช่องนะใครไม่กลับก็นอนต่อนะ